มงคลชีวิตมงคลที่ห้าเป็นผู้ทําบุญไว้แต่ปางก่อนปุเพจักะตะพุ ญ, ญาตาเอตัมมังคลมุตตะมัง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 หากต้องการเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีนานถึงสอสงไขยแสนกับหากต้องการเป็นพระอาัคารส า, าวกก็ใช้เวลาเพียงหนึ่งอสงไขยแสนกับเป็นต้นบารมีสิบประการคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐาน